พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เสมอเธอพิจารณากายเวทนาจิตธรรมยังมีความเพียรมีสัมปะชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสดได้นี้เป็นอีกประการหนึ่งหัวข้อกายานุปัสสนาอาณาปานะบัพพะ